พระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารโยวัดถ้ำกลองเพงจังหวัดหนองบัวลำภูเรื่องอยู่ที่ใจ ผู้เห็นเวทนาผู้เห็นสัญญาผู้เห็นสังขารวิญญาณเป็นผู้เห็นนามรูปนามรูปเป็นปัใจจัยให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายอายตนะเป็นปัใจจัยให้เกิดผัสสะเห็นรูปมากระทบตาเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่เสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณขึ้นที่นี่อีก รูปดีก็เกิดความยินดีชอบใจเป็นเวทนาอยากได้รูปไม่ดีเกลียดชังเกิดทุกขเวทนาไม่อยากได้ก็เป็นทุกขเวทนาขึ้นตัญหาเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยให้ต่อกันปัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าขันของตนว่าตัวของกูกูไปอยู่ที่โน่นกูไปอยู่ที่นี่กูเป็นพระกูเป็นเนร อุปาทานเมื่อมีอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุให้อยากเท่านั้นแหละเป็นเหตุให้เกิดภพคือกามาภพรูปภพอรูปภพเกิดภพแล้วเป็นเหตุให้เกิดชาติเกิดชาติก็เป็นเหตุให้เกิดชารามรณะเกิดโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปาญาตความคับแคนอัดอั้นตันใจอยู่ในสังสาระจัก นี่แหละดับความโง่อันเดียวเท่านั้นแหละผลไม่มีดับเหตุแล้วผลก็ดับไปตามกันผลคือได้รับความทุกข์ความสุขไม่มีคือดับอวิชชาความโง่นั่นแหละตัวเหตุตัวปัจจัยมันเองมันเป็นต้นเหตุเป็นปัจจัยจิตเดิมธรรมชาติเป็นเรื่องประพัสสอนเหมือนกันกับเพชรพลอยหรือเหมือนกันกับแร่ทองคาธรรมชาติ มันก็เลื่อมสดใสยอยู่ยังงั้นแม้นว่ามันยังปนอยู่ปนอยู่กับดินนั่นแหละแล้วอาศัยคนไปขุดมารู้จักว่าเป็นบ่อเพชรบ่อทองบ่อแร่นั่นแหละเขาไปขุดเอาขึ้นมามันติดอยู่กับดินอันหยาบนั่นขุดมาแล้วมาถลุงออกแล้วเอามาเจรไนอีมันเจนสาเร็จมีแสงมอบว่าเป็นทองคาก็เอาทาสายสร้อยตุ้มหู จิตของเราทั้งหลายก็ดีมันเกลือกกล้วอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันเอาอารมณ์เข้ามาห้อมล้อมมันจิตมันจึงเศร้าหมองแต่แสงมันก็มีอยู่นั่นแหละอาศัยมาชำระมันเราฝึกมาชำระจิตนั่นแหละทุกวันให้มันผ่องใสจิตเราต้องชำระให้มันบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาปะปบบนมันแล้วอันนั้นหละจิตบริสุทธิ์จิตผุดพองผ่องใส จิตตังทันตังสุขาวหังพร้นผู้อบรมฟอกจิตของตนสั่งสอนจิตของตนมีสติสัมปชัญญะระวังจิตอยู่ทุกเมื่อประคองจิตให้อยู่ในความดีหมัน่นขยันทำความเพียชรชาระจิตยกบาป ท, ทั้งหลายเหล่านี้ออกจากดวงจิตอยู่ทุกวันคร้นลาออกแล้วก็เหมือนฝนท่างให้เป็นเข็มเท่านั้นฝนไปฝนไปอาศัยวิริยะความภาพเพียร อาศัยสันทัความพอใจจะเพียงฝึกฝนจิตของเราให้เลื่องประพัสสอนฝนไปฝนไปฝนที่สุดก็เป็นจิตบริสุทธิ์หมดมลทินมีแต่ธาตุรู้อันบริสุทธิ์เป็นธาตุอันบริสุทธิ์ผุดพองจิตบริสุทธิ์แล้วจะไปทางไหนก็ได้ไม่มีความเดือดร้อนเพราะเป็นแก้วอันบริสุทธิ์แล้วบ่มีอันอย่างมาเกิดแล้วจิตแหละเป็นตัวนำทุกมาให้ ร้นฝึกฝนดีแล้วนำความสุขมาให้อยู่ในโลกนี้ก็มีสุขความทุกข์ไม่มีอันนี้มันเป็นธรรมดาของอัตภาพของสภาวะมันเป็นเองของมันถึงมันจะทุกข์ปานใดมันก็ไม่มีความเดือดร้อนหวาดเสียวต่อความทุกข์มันจะตายก็ไม่มีความอัศจรรย์มันนี่จึงว่ารู้เท่าสังขารรู้เท่าสังขารจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตไม่มีโศก ไม่มีความเศร้าอาลัยจิตมีกิเลสเครื่องมวลทินก็ปัดออกแล้วจิตอันนี้เป็นจิตบริสุทธิ์จิตสูงเพราะมันขาดจากการยึดการถือเรามาหาความสุขใส่ตนไม่ใช่หรือต้องการความสุขเท่านั้นแล้วจึงพ้นจากการสะดุ้งหวาดเสียวจิตของพระอริยเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมมีลาบก็ไม่มีความยินดี เสื่อมลาบก็ไม่มีความยินร้ายความสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็บรรตนนินทาพระพุทธเจ้าก็บรรโลงเศร้าเสียใจไม่ดีใจไม่เสียใจจึงว่ามีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญ ม, ม, ม, มีนินทามีสุขมีทุกขเหล่านี้แต่อย่างนี้พระพุทธเจ้าและสาวกไม่มีความยินดีและโศกเศร้าไม่มีความหวั่นไหว ไม่มีความยินดียินร้ายกับอารมณ์8อย่างนีหละจึงว่าจิตประเสริจิตกเกษมพวกเราเกิดมาก็พากันเกลียดทุกอยู่นี่แหละจิงได้พากันสแสวงหาที่พึ่งของตนสแสวงหาแล้วก็ต้องตั้งใจมีความฝักใฝ่ในข้อวัดปฏิบัติของตนไม่ละไม่ถอนฉันทะความพอใจจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้มีขึ้นวิริยะเพียรละชั่ว เพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นจิตฝากายอยู่ในคุณงามความดีฝากายอยู่ในสติให้จิตอยู่กับจิตให้ใจรู้จักใจให้จิตอยู่ที่จิตให้ใจอยู่ที่ใจมีสติประจำไวที่นั่นแกนอยู่นั่นครั้นผู้ตั้งใจบำเพ็ญหัดทำสติของตนให้สำเนียกแม่นยำแล้วจิตเป็นผู้ทำสติให้สำเนียกแม่นยำครั้นมีสติแล้ว ก็เป็นผู้สมาทานเอาอยู่ในสิกขาบทของตนนั่นแลให้มันเป็นอธิศีนอธิศีนคือศีลบ่มีหวั่นไหวศีนบ่มีขาดวิ่นไม่มีขาดตกบกพร่องศีลเรียกว่าปกติศีลอธิศีลสิกขาสมาทานีอธิปัญญาสิกขาสมาทานีอ ป, ปมาเทนะสัมปาเทธะด้วยความไม่ประมาทเป็นนิจศีนอยู่ทุกเมื่อผู้มีสติมีสัมปัญญะ ทำให้แม่นยำให้ชำนาญแล้วผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ใกล้พระนิพพานชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทใกล้ตกปากทางพระนิพพานแล้วตนอยู่ไหนตนมีความทุกข์ก็เพราะตนทำให้ตนเมื่อทําความดีใส่ตนแล้วชื่อว่าเป็นผู้รู้ตนเป็นผู้ยกตนเป็นผู้รักษาตนตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแก่ตนอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งของตนได้ก็เพราะตนนั่นแหละทําความดีเป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ก็เพราะตนเป็นผู้เกียจคร้านไม่มีศรัทธาเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลมันมัวแต่เห็นแก่ป่าแก่ท้องมัวหามาใส่ป่าใส่ท้องคอยเวลาที่มันตายนั่นแหละในเบื้องต้นให้ตรวจดูทานะบารมีก็ดีศีลบารมีก็ดี เนคขมมะบารมีก็ดีตรวจดูมันอยู่อย่างไรอยู่ที่เราจะก้าวขึ้นก้าวขึ้นชั้นสูงให้ทานสูงนั่นแหละเรียกว่าปารมัตถบารมีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจนี่แหละถวายบูชาพระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมถวายบูชาพระสงฆ์ได้ชื่อว่าให้ทานสูงอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นปรมัตถทานปารมัตถะบารมี ให้ทานเลือดเนื้อไม่เห็นแก่ชีวิตจิตใจมุ่งหน้าทําความเพียรจนตลอดวันตายเป็นทานะบารมีไม่ต้องห่วงแหนมันไว้ต้องให้มันทําความเพียรอย่าปล่อยให้มันช้ำรู้สุดโสมไปมันมีแต่จะครั้นช้ำรู้สุดโสมไปเหมือนเรือคลั่คล้า น, นั่นแหละมันมีแต่ประหลักหักพังไปครั้นมันเท่ามาแล้วมันบาเพ็ญเพียรอีอย่างวาได้ดอกยังหนุ่มยังแงน่น ตั้งใจทำความเพียนไปรันเท่าอย่างอัตมานี่มันผ่านมาแล้วแม้จะแบกแตกกระดูกของตนก็จะตายแล้วปานนั้นมันก็บ่ยอมให้เขาหอบมันอยู่นี่แหละกระดูจะตายให้มันตายอยู่นั่นไม่ยอมหอกเรื่องทำความเพียนเอามันจนตายพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีเมื่อสำเร็จกิจแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยังขยันกว่าเราเสียอีกนี่แหละท่านหมดเชื้อแล้วหมดเชื้อแล้วอยู่เย็นมีความสุขหมดความขี้รักขี้ขโมยหมดขี้โกรธขี้โลภขี้หลงนี้หมดแล้วพระพุทธเจ้าและสาวกก็หมดแล้วขี้เกียจขี้ครลานความขี้เหงาขี้เศร้าขี้หลับขี้นอนพวกนี้หมดแล้วพระอริยเจ้าท่านทำความเพียรขุดขึ้นมาขุดตันหาขึ้นมา รากน้อยรากใหญ่ขุดขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วก็กวาดกวาดขึ้นมาแล้วเอาใส่ไฟเผาไฟกวาดแล้วกวาดเล่าเผาแล้วเผาเล่าเผาแล้วโอยลงน้าที่เชี่ยวโกยแล้วโอยเล่าจนหมดครั้นหมดเชื้อต่างๆแล้วไม่มีดอกความเกียดครา้นเราอย่ามันขยันแต่ทำบากให้ขยันแต่ทำดีทำความบริสุทธิ์ทำบุญทำกุศลนี่ ให้หมั่นทางนี้บาปด่ากันบาปมันขึ้นมาหน้าแดงเรานี้เฮ็ดบาปคือขยันแท้ไปขยันใส่บาปครั้นรู้จักว่าบาปก็บอกขยันแล้วจึงว่าให้กลัวบาปคำเถียงกันด่ากันทะเลาะวิวาทเปียดเปียนกันเป็นบาปอย่าไปขันใส่มันให้หลีกไปไกลให้เอาใจเว้นอย่าเอาใจใส่ครั้นเว้นแล้วมันก็บอกมีความเดือดร้อน ใครจะว่าอย่างใดก็ตามเราไม่ว่าใส่เขาดอกเขาติดชิ้นดินทาเขาก็ว่าใส่เขาเองปากเขามันก็อยู่ที่เขาหูเขามันก็อยู่ที่เขาเราจะเอามันเข้ามารวงไว้ให้มันเผาตนอย่างเราก็เป็นคนอยู่ไม่ใช่ควายมันเป็นอย่างใดเราจึงตั้งสติฟาดมันมันเป็นอย่างให้ดูมันเรารู้จักมันแล้วเรารู้จักกิเลสแล้ว ดูมันเฉพาะตายถ้ามึงไม่ตายปูตายเอาให้ตนซะาความดีนั่นบากก็อยู่ที่ใจใจนี่เป็นผู้ว่าจึงว่าให้อบรมใจมีสติสั่งสอนใจอบรมนี่แหละจะเอาพบเอาชาติก็แม่นใจนี่แหละจะเป็นวัวเป็นควายก็แม่นใจนี่แหละรั้นดับใจนี้ได้มันก็มีแต่เย็นมีแต่ความสุขเท่านั้น มันจะไปเกิดบ่อนใดก็แม่นจิตนี่หละไปยึดไปถือมันเจ็บมันปวดก็เพราะใจไปยึดไปถือครั้นใจไม่ยึดไม่ถือแล้วมันจะรู้จักการตายรู้จักความตายรู้จักมันดีถ้าใจไม่ยึดมันจะมีทุกขเวทนามาจากไหนไม่มีดับเวทนาดับสัญญาได้อยู่ดับสังขานความปรุงได้อยู่ดับวิญญาณความรู้ทางทวารทั้งหได้อยู่ ของใครของมันจะมีตนมีตัวมันไม่มีตนมีตัวแต่ว่ามันจำมันหมายว่าเจ็บนั่นเจ็บนี่เวทนาก็พร้อมกันเกิดขึ้นมันก็ไม่มีตัวมีตนมันก็ดับไปอีดับก็จิตมันสงบนั่นแหละครั้นจิตมันสงบแท้ๆไม่มีคนมีหยังจะมาเจ็บอยู่นี่จึงว่าให้อบรมจิตนั่นแหละจิตสงบแล้วไม่มีผู้ใดเจ็บ คนบ่มีบ่อนตัวไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรเจ็บแล้วครั้นไม่มีคนแล้วเป็นอย่างจะมาจำหมายนั่นอยู่บัญญัติอยู่ก็รู้ว่าไม่มีคนบัญญัติทางตาหูจมูกลิ้นก็บ่มีบ่มีคนมันว่างมดละไม่มีอุปทานแล้ววางเสียก็มีความสุขนั่นแหละจิตสงบให้ฝึกหัดจิต ตัวรักษาดีแล้วได้ชื่อว่าเป็นผู้แต่งความสุขให้ตนนั่นแหละเรียกว่าตนมีที่พึ่งปัจจุบันก็ไม่มีความเดือดร้อนแต่งทรัพสมบัติให้ตนสมบัติภายนอกมากมายไม่มีความยากจนตกแต่งมนุษย์สมบัติให้ตนตกแต่งสวรรค์สมบัติให้ตนตกแต่งเอาเองรักษากายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์ ไม่แตะไม่ต้องสิ่งอันหยาบช้าเร็วซามสี่ห้าก็เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติสี่8ปดก็ดีเป็นมนุษย์และสวรรค์สมบัติด้วยก็ใครเล่าแต่งเอาให้ก็เรานั่นแหละแต่งเอาเองใครจะทำให้เราได้พระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้สอนมันก็แม่นเรานั่นแหละรั้นทาบดีก็แม่นเราเพราะเหตุนั้นให้รักษาให้มันดีที่ไม่ดีอย่าไปทา พวกเรานี่มันสับสนปนกันนี่ทั้งดีทั้งชั่วมันจิิงสุขก็ได้ทุกก็ได้เอาอยู่อย่างนั้นแหละได้รับทั้งสุขได้รับทั้งโทษเพราะสับสนปนกัน